ข้าพเจ้าพระภัยบนญอภีปุลโนมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันมีอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะขอร้องขอร้องท่านผู้ฟังรายการทุกทกท่านขอร้องว่าให้ทรรมให้ปฏิบัติธรรมะในรูปแบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีล ถ้าเราทำการรักษาศีลได้เป็นส่วนใหญ่ในชีวิตของเราแล้วก็ให้มีการปฏิบัติทางใจการปฏิบัติทางใจนั้นอาจจะเป็นรูปแบบก็ได้ไม่เป็นรูปแบบก็ได้การปฏิบัติที่ทั้งเป็นรูปแบบและไม่เป็นรูปแบบเนี่ยไม่เป็นรูปแบบก็อย่างเช่นว่าเราไปซื้อกับข้าวไปกินอาหารตามร้านอาหาร เวลาจิตใจมันมีความลุ่มหลงไปในทางที่จะอยากความกำหนัดความลุ่มหลงมัวเมาก็พยายามที่จะรักษาจิตของเราให้มีสติให้มาระลึกถึงลมหายใจอยู่บ้างให้มามีที่ตั้งที่ระลึกถึงไม่ให้จิตใจของเราลุ่มเร้ากลุ่มรุมอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นเปนในทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายต่างๆเหล่านั้นขอร้องเลย ขอให้ปฏิบัติขอให้ทำให้ผสมกับที่เราได้มีโอกาสในการที่เราได้มาฟังธรรมะให้สมกับที่เรามีโอกาสในการที่ยังยังมีเวลาว่างมามามีทางช่องทางทางหูที่จะรับฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ทีแล้วมันยากมากนะเติามาฟังมันยากมากมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ได้น้อย มันเป็นความเป็นไปได้ที่ยากซึ่งในเมื่อเราณนะขณะนี้เราได้แล้วก็ขอให้ทำขอให้ปฏิบัติขอให้นำธรรมะนั้นมาใช้การที่เราต้องทำกิจการงานในในครัวเรือนในการครองเรือนไม่ว่าจะเป็นทำงานใช้จ่ายทรัพย์ไปเที่ยวดูแลลูกบุตรหลาน เรียนหนังสืออะไรต่างๆนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำอยู่แล้วก็ทำไปไอสิ่งต่างๆที่เราทำไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ที่ใชในการจะต้องอยู่ในการคลรองเรือนพวกเนี้ยเวลาเราตายพวกนี้ก็ก็สูญสลายไปหมดเวลาที่เราแก่เราตายไปแล้วหมดจากชีวิตนี้ไปแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ได้จะไม่ได้จะตามเราไปด้วย ไม่ได้จะเป็นสิ่งที่เราจะเอาไปด้วยได้ไม่ได้จะเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะเอาเป็นที่อาศัยที่พักพิงได้เลยแต่อย่างเราคิดว่าเราจะทางานได้เงินมากๆเราสร้างบ้านหลังโตๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหวังว่าบ้านนั้นที่อยู่นั้นจะเป็นที่พักพิงที่อาศัยให้เกิดความเย็นความสบายใจ บางทีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเห็นอยู่บุคคลที่มีเงินทองมากมายร่ํารวยมหาศาลมีบ้านอยู่หลายหลังต่างประเทศก็มีประเทศนั้นประเทศนี้ก็มีแต่ว่าครอบครัวนั้นบ้านแตกสแสลักขาดห ม, มายความว่ามองหน้ากันก็ไม่ติดพ่อลูกก็โกรธกันไม่ลงกันหรือว่าสามีภรรยา ก, ก็กินแหนงแคลงใจกันแล้วคิดว่าบ้านเป็นสถานที่เนี่ย จะเป็นที่ที่จะให้เราพึ่งพักพํานักพับพิงได้และบางทีมันกลับกลายเป็นอย่างอื่นในทางตรงกันข้ามอาจจะเป็นบ้านธรรมดาธรรมดาไม่ได้ต้องใหญ่โตอะไรมากก็ธรรมดานี่แหละแต่ถ้าคนในบ้านมีความรักมีความสามัคคีกันมีความเห็นอกเห็นใจกันบ้านนั้นครอบครัวนั้นก็เป็นสิ่งที่มีความสุขมากกว่า อะไรที่จะเป็นที่พึ่งที่บำนักพักพิงให้เราได้มันไม่ใช่สิ่งของภายนอกที่เราพยายามจะสแสวงหาแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในใจของเราไอการปฏิบัติที่จะค้นคว้าหาในภายในนี่แหละตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้นะท่านผู้ฟังจะเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้ใช้ได้อาศัยได้ในคราวที่แม้เราอยู่ในปัจจุบันในคราวที่แม้เราจะจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่น ไม่รู้ละโลกอื่นจะมีไม่มีแต่ถ้ามันมีสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งกับเราได้ถ้ามันไม่มีอย่ายน้อยปัจจุบันนี้เราก็ยังพึ่งเอคุณธรรมที่อยู่ในภายในที่เราเพียรปฏิบัติเพื่อที่จะรู้อยู่ในใจเพื่อที่จะให้เกิดความเย็นใจความสบายใจขอให้ปฏิบัติขอให้ทำขอร้องเลยอย่าประมาท อย่าเป็นผู้ที่จะมดินร้อนใจมาเดือดร้อนใจในภายหลังว่ะโอ้ยฉันจนฉนหมดแต่เพลิดเพลินลงระเล ง, ล ง, ลงไปในสิ่งต่างๆแต่ลืมที่จะรักษาจิตของตัวเองลืมที่จะมาใส่ใจดูแลให้อาหารใจของตัวเองไอ้ความที่เราจะมาดูแลใส่ใจให้อาหารใจมาหาความสุขที่เกิดขึ้งในภายในมาค้นคว้าหาสิ่งที่อยู่ในจิตของเราว่ะ ในสิ่งขเรามีเรื่องที่เป็นกุศลมีเรื่องที่เป็นอกุศลอย่างไรเรื่องที่เป็นอกุศลออกไปเรื่องที่เป็นกุศลหามาใส่เพิ่มพัฒนาให้มันดีขึ้นคนที่ตั้งใจกระทํำตรงนี้เป็นคนที่ไม่ประมาทเป็นคนที่มีหรีโอตัมบัปเป็นคนที่กลัวคนที่คอยระวังกลัวรคอยระวังต่อเจ้าสิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรม เราฝึกฝนนิสัยของเราให้เป็นอย่างนี้พัฒนาใจของเราอยู่เรื่อยๆไอ้ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้เป็นสิ่งที่จะเป็นที่พํานักพักพิงง่ายอาศัยและในคราวไหนก็ได้ตอนที่เราจะมีร่ํารวยมหาศารหรือว่าแม้แต่ตอนที่เราจะเป็นยาจบยากจนนั้นได้ทั้งนั้นบางคนร่ํารวยมหาศารพอหุ้นตกราคาทองตกอ้าว ก, กลายเป็นยาจบไป นะีไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่คนอื่งก็จะไม่สามารถเอาไปจากจากเราได้เลยดังนั้นคืออยู่ข้างในใจเขาไม่สามารถที่จะมาแหวงอกคุณแล้วก็เอาทรัพย์ที่อยู่ภายในในใจของเราไปได้ไม่ได้นะแหวกอกก็ตายเท่านั้นละ่ะตายเขาก็ยังเอาสิ่งคุณธรรมสิ่งที่เป็นคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ของเราไปไม่ได้ขโมยกันไม่ได้ให้กันก็ยังยากเลยอย่างข้าพเจ้าจะ แบ่งความสุขที่กระจากในภายในหรือจะแบ่งคุณธรรมใดๆความรู้ใดๆที่ข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้าเห็นให้ท่านผู้ฟังผ่านทางสัญญาณวิทยุหรือไม่ก็เสียบปลั๊กแลกชาร์จกันเลยเหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่เราทําได้เองเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติได้เอง เป็นสิ่งที่เรารู้เราเห็นได้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกลิ้นกายใจของเราณนะปัจจุบันนี้เราทำได้เราทำได้ไม่ยากแต่ขอให้ทำขอให้ตั้งใจในการที่จะใส่ความพยายามความเพียรความอุตสาหใส่ความที่เราจะพัฒนาใจของเราให้มันดีขึ้นได้เกิดเป็นคนแล้วจำฝังเกิดเป็นคนแล้วเกิดเป็นคนที่มีหูด้วย ไม่ได้หูหนวกกบเป็นคนที่พอจะซื้อเครื่องฟังได้มันมันดีมากนะพอจะซื้อเครื่องฟังได้แล้วยังมีเวลาฟังมีเวลาปฏิบัติโอ้ยคนแบบนี้หาได้ยากคนแบบนี้ยิ่งสมควรที่จะจะตั้งต้นไว้ในธรรมให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยธรรมให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่อิ่มเอิบเพียพร้อมด้วยคุณธรรมที่อยู่ในใจ ไม่ว่าเรื่องราวที่เราฟังมาเนี่ยนะท่านฟังจะอ่านจากหนังสือฟังจากวิทยุจากรายการนี้หรือรายการไหนก็ได้ที่ที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเราฟังมาแล้วเราเก็บเข้าสู่ใจของเราไอ้ ใ, ใจของเราที่มันมีเนี่ยมันไม่ได้ว่าคุณเราอ่านจากหนังสือแล้วความรู้ในหนังสือมันลดลงไปตัวหนังสือมันก็ไม่ได้เลือนลางหายไปเราฟังวิทยุเราไม่ใช่ว่าไอ้ไอเสียงที่มันออกจากวิทยุ ม, มันจะหายไปไฟล์นั้น ถ้าเขาไปเปิดเล่นซ้ามันก็ยังเล่นได้อยู่มันไม่ได้หายไปเฉยตรงนั้นแต่สิ่งที่เกิดเพิ่มเติมขึ้นมานั้นคือธรรมะที่อยู่ในใจของเราเป็นเป็นสิ่งใหม่เป็นอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมามันไม่ได้เหมือนกับเราแบ่งเค้กกันนะแบ่งเค้กอา้าวพ่อซื้อเค้กมาก้อนหนึ่งแบ่งเป็นสี่ส่วนให้แม่ส่วนหนึ่งให้ลูกส่วนสองส่วนตัวเองกินส่วนนึง เ, เค้กก็หมดตัวเองแบ่งออก ส่วนหนึ่งเราก็ลดลงไปส่วนหนึ่งให้คนอื่นไปเราก็ลดลงส่วนหนึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ธรรมะนั้นเป็นเป็นของที่มีค่าไม่จำกัดนแบ่งให้คนอื่นตัวเราเองก็ไม่ได้ลดคนอื่นแบ่งให้เราของเขาก็ไม่ได้ลดมีแต่จะเพิ่มต่อเทียนเนี่ยท่านฟังต่อเทียนยิ่งต่อเทียนห้องยิ่งสว่างมากขึ้นมีเทียนเล่มหนึ่งต่อให้คนหนึ่งไฟของเราไม่ได้ลดลงไป เออไฟของเขาติดเพิ่มขึ้นมาเออห้องยิ่งสว่างขึ้นเป็น2เทแถวสแรงเตียนเอาต่อไปอีกให้อีก3มคน4คนเออเทียนของฉันก็ไฟของฉันก็ไม่ได้ลดลงไปเออหองคนหน่งก็ยังขึ้นมาอีก3ามเล่มสี่เล่มแล้วก็เป็น4แรงเตียนต่อไปอห้องก็ยิ่งสว่างสบายขึ้นมาธรรมะเป็นลักษณะอย่างนั้นท่านบวชเป็นลักษณะที่เมื่อเราแบ่งปันนะให้ใครก็ตาม เขาได้รับเห็นในการปฏิบัติแต่คือความที่เขาได้รับเนี่ยนะคือเขาทําให้เกิดขึ้นในใจนะแต่คืออย่างเช่นการต่อเทียนเนี่ยถ้าต่อเทียนไปแล้วปรากฏว่าเอ่อเทียนของเขามันมันไม่มีไส้อย่างเงี้ยนะหรือเป็นเทียนที่มันเปียกน้ําเนี่ยก็ต่อไม่ติดใช่ไหมเราให้อยู่ของเราไม่ได้ลดหรอกแต่เขาต่อไม่ติดเพราะว่าจิตใจที่มันด้านบ้างไส้เทียนที่มันบอดบ้างหรือเหตุปัจจัยใดๆก็แล้วแต่รับไม่ได้ แั่ ก, ก็เรียกว่ารับไม่ไดแ้แต่รับได้ก็ของเราก็ไม่ได้ลดลงแต่คือบางคนก็จะรับได้บ้างรับไม่ได้บ้างเห็นแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่อย่างไรก็ตามการที่เราหยิบยืน่นทำมาให้ด้วยการที่เราแสดงออกนั่นเองอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นการหยิบยื่นทำมาให้อย่างไรที่เรียกว่าเป็นการที่มอบธรรมะเป็นทานที่เรียกว่าธรรมทา น, นแต่คือทำให้ดู น, นั่นเองท่านฟังคือปฏิบัติให้เห็น ให้เขาดูรู้ว่าเฮ้ยจิตใจมันทำเงินอย่างนี้นะเวลามีเรื่องที่มากระทบไม่ชอบใจแต่ถ้าเราแสดงออกถึงความเมตตานั่นชั่วคุณมีธรรมะเป็นธรรมทานให้ล่ะคนหนึ่งเขาเห็นโอ้คนนี้มีเมตตาแต่เขารับได้จิตใจเขาก็รู้สึกถึงคุณธรรมนั้นรับไม่ได้ก็ว่าไปนะไม่ใช่ว่าให้หนังสือนะให้หนังสือให้ซีดี จะเรียกว่าเป็นธรรมทานมันมันไม่ใช่หรอกมันเป็นการให้ของขวัญแต่เป็นการให้หนังสือเป็นให้ซีดีให้สิ่งนั้นไปแต่ว่าธรรมทานนั้นคือทำธรรมะให้ดูปฏิบัติให้ดูสอนสอนแล้วตัวเองทําด้วยอาจจะสอนคนอื่นได้ตัวเองก็ทําด้วยทําแล้วคนอื่นเขาเห็นเขาทําต่อไปได้นั่นคือเขารับธรรมะได้การที่เขารับได้นั่นคืแสดงว่าเราให้นะเราทําให้เขาดูทําให้เขาเห็น เพราะฉะนั้นขอให้ทําขอให้ปฏิบัติการทําการปฏิบัตินั้นไม่ได้เรื่องยากด้วยไม่ได้ว่าคุณจะต้องเตรียมตั้งท่าอะไรกันมากมายเอาแค่ว่าณตอนนี้ณนะตอนนี้หรือตอนที่คุณอ่านหนังสือหรือตอนที่คุณฟังอะไรก็สักอย่างเด่นหนึ่งที่คุณชอบใจไม่ชอบใจนะนะั่นแหะแตอนไหนก็ได้ที่มีพัฒนาถ้าเรามีสติอยู่นั่นคือชื่อว่าเราปฏิบัติละตอนที่เราโกรธ ตอนที่เราไม่พอใจตอนที่เรามีสิ่งที่มารบกวนยั่วยาว้าจิตใจเรามีภาษาที่พอใจบ้างไม่น่าพอใจบางมากระทบแล้วขอให้ตั้งสติเอาไว้อย่าไปวันไหวนะวันไหวนี่หมายความว่าลุ่มหลงมัวเ ม, มาเพลดิดเพลินในสิ่งที่ชอบวันไหวนี่หมายความว่าขยะกขยแยงเกลียดชังในสิ่งที่ไม่ชอบหรือว่าสิ่งที่เราเฉยๆ เ, เราก็ ไม่รู้ถึงเหตุเกิดไม่รู้ถึงความดับ่ไม่มองเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงชื่อว่าคุณหวนไหวละ่ะเราทำยังไงไม่ให้หว่นไหว่ก็คือถ้าจะเจอสิ่งที่เราชอบไปกินอาหารอย่างเงี้ยหรือฟังดนตรีที่เราชอบกินอาหารที่เราชอบก็อย่าให้มีความกำหนัดรุ่มหลงโมมเมาเพลิดเพลินยินดีนั่นชื่อว่าคุณไม่หวนไหวไปตามสิ่งที่ คุณเห็นคุณได้ยินหรือว่าถ้าเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็าด่ากันก็าว่ากันได้ยินเพลงที่เราไม่ชอบในเห็นภาพที่มันบาดตาบาดใจไม่ชอบแ้วก็อย่าขยักขยงเกลียชังอึดอัดอย่าทำความคืงเครียดในให้ปรากฏก็ชื่อว่าไม่หว่นไหวในสิ่งที่ไม่ชอบหรือเจอสิ่งที่ทั่ ว, วไปแต่ต้องไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรอกแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะชอบหรอก แต่ว่าเราเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนแล้วนี่ก็ชื่อว่าไม่หวั่นไหวในสิ่งที่เป็นกลางๆตรงนั้นเราทําแค่นี้เดี๋ชื่อว่าคุณเอาตมะมาปฏิบัติล่ะเห็นรู้ฟังฟังเสียงอยู่เอ๊ะเสียงนี้เราอาจจะชอบอ่ะงั้นเราอย่าไปกําหนัดในนั้นฟังไปตามธรรมชาติของเขาด้วยจิตที่เป็นหนึ่งให้จิตของผู้ที่ฟัง อยู่ที่จิตนะให้ไอ้การรู้ทางหูเนี่ยอยู่กับจิตของเรานะมีสติอยู่ไม่วันไวายไปตามสิ่งที่มากระทบนะว่าเป็นวันวายนี่ไม่ใช่ว่าไม่รับรู้นะรับรู้อยู่เวลายัางเวลาเรามีความการมัันทาเกิดขึ้นความคิดในทางกลามเวลาเรามีความพยาบาทเกิดขึ้นมีความโกรธเกิดขึ้นมีความอยากเกิดขึ้นมันมันมาตลอดตามปัจจัมันมาตลอ ด, ลอดเราต้องรู้ เราต้องมีสติเราเลึกได้เราเลึกได้แล้วยังไงเดี๋ยวเราเลึกได้แล้วก็ให้จิตมาอยู่กับฐานที่ตั้งนั่นเองเดีคือมันสัมผัสอยู่เดี๋ยวคนจะสู้ไฟนักดับเพลิงเนี่ยเขาจะดับเพลิงได้แต่เขาก็ต้องรู้สึกร้อนนั่นแหะเพราะเขาก็ต้องเข้าไปใกล้เปลืองนั่นเนนึงจะดับได้เหมือนกันเวลามีข้าศึกศัตรูมาข้อประตูอยู่ที่หน้าประตูเมืองเนี่ยเราก็ต้องก็รับรู้แน่นอน ไม่ใช่ว่าเราหลับหูหลับตาไม่ใช่อย่างนั้นเรารับรู้แล้วแต่ว่าไม่เนื่องกันไม่เปิดประตูให้มันเข้ามาเรามีสติรับรู้อยู่แต่ไม่ให้สิ่งนั้นมาตั้งอยู่ในจิตไม่ให้สิ่งนั้นมากลุ้มรุมจิตไม่ให้สิ่งนั้นเข้ามาแทรกซึมอยู่ในจิตของเราทำยังไงเราถึงจะทำอย่างนั้นได้เราต้องเห็นสิทธิบุญังเห็นว่าจิตของเราก็อันหนึ่งเห็นว่าสิ่งที่มากระทบนั้นก็อย่างหนึ่งมันคนละอย่างกัน องเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่นี้ผ่านมาทางวิทยุเนี่ยหรือฟังทางเครื่องเล่นชนิดใดชนิดหนึ่งเสียงที่มากระทบนี้กับผู้ที่เข้าไปรู้เสียงมันคนละอันกันนะมันไม่ใช่อย่างเดียวกันหรือผู้ที่เข้าไปไคร่กรวนวิเคราะห์ตามเสียงที่รับรู้มาก็อีกอันหนึ่งนะเหมือนก็คนละดวงคนละจิตคนละเรื่องกันกันกบไอ้ผู้ที่เข้าไปรับรู้เสียง ผู้รับรู้เสียงก็อันหนึ่งเสียงก็อย่างหนึ่งไอ้ผู้ที่เข้าไปปรุงแต่งคิดนึกพิจารณาตามเรื่องที่รับรู้นั้นก็คนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างไปแต่มันแยกกันไปมันคนละส่วนกันแต่ว่าความเคยชินของเราเนี่ยมันทําให้ดูเหมือนไอ้นี่เป็นอันเดียวกันทุกอย่างเกิดในจิตหมดเลยทุกอย่างก็รวมอยู่ในนี้หมดเลยมันไม่เห็นได้แยกเป็นก้อนๆ อ, อย่างที่ท่านพูดเลย นี่แหละคือความเคยชินของจิตของเราที่เวลามีอะไรมากระซบมันก็หลอมรวมเป็นหนึ่งกันนะเป็นอันเดียวอันหนึ่งกันนะมันเป็นตัวตนอันเดียวกันนะมันถูกเชื่อมไว้ถูกเชื่อมไว้ด้วยเจ้าตัณหาถูกเชื่อมไว้ด้วยเจ้าอวิชชาที่ทําให้เราคิดว่าเอ้ยอันนี้มันคืออันเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสอนพยายามแยกแยะคือให้เห็นด้วยความเป็นธาตุให้เห็นว่าถ้ารู้ก็อันหนึ่ง ท่าที่ไปปรุงแต่งก็คนละอย่างกันแต่ท่าที่จะไปรับรู้ทางหูก็คนละอย่างกันแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มีความเป็นาธาตุของเขาเป็นคนละองค์ประกอบกันแต่เวลามันผสมรวมกันมันอาจจะดูเหมือนเป็นก้อนเดียวกันแต่จริงๆมันมันแยกแยะกันอยู่มันแยกคนละอันกันอยู่ในเนื้อขนมเคก้กหรือขนมอะไรที่เขาปรุงมาอย่างดีผสมกันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราอาจจะดูไม่ออกเลยว่า เออันนี้มันมันไข่หรือว่ามันแป้งหรือว่ามันเนยเพราะเขาว่าตีผสมรวมกันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราถึงต้องแยกแยะโดยความเป็นธาตุตั้มบุฟังเราจะแยกแยะโดยความเป็นธาตุเห็นได้ว่าเอาอันนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้มันคุณละอันกันนะมันแยกแยะกันไปนะต้จิตต้องมีความสามารถจิตจะต้องมีกําลังในการที่จะมองเห็นทะลุดทลวง มองเห็นรับรู้ถึงสิ่งนั้นในความสามารถตรงนี้นั่นก็นคือการที่จิตต้องมีอารมณ์เดียวเราจะมีอารมณ์เดียวได้จิตถึงความตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวได้ ส, ต, สตินี่แหละสำคัญจะมีสติได้มันก็ต้องมีฐานที่ตั้งอย่างการระลึกถึงนั่นแหละแต่สติภาวาการระลึกได้เราจะระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ก็ต้องมีฐานที่ตั้งอยการระลึกลซึ่งฐานตรงนี้ เราจะใช้กายของเราก็ได้นะเราจะใช้เวิทนาจิตหรือธรรมก็ได้คำพูดง่ายๆนะลมหายใจนะะั่นล่ะใช้ลมหายใจของเราเ ป, เป็นฐานที่ตั้งให้การระลึกถึงถ้าเราฝึกให้จิตของเรามาอยู่ที่ลมหายใจอยู่เรื่อยๆทําอยู่เป็นประจำทําอยู่อย่างต่อเนื่องอาจจะหลุดไปบ้างอะไรไปบ้างก็นิดๆหน่อยๆพยายามทํารักษาให้จิตของเรามาระลึกอยู่ที่ตรงนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเริ่มเห็นเห็นอะไร น, นั่นแน่นอนไม่ได้เห็นนรกสวรรค์เห็นนาเดีนาโคตนั่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เริ่มเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แล้วก็ความดับไปนเมื่อไรก็ตามที่เราพยายามจะฝึกสติในโดยการให้จิตเรามีฐานที่ตั้งในการระลึกถึงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะเริ่มเห็นความเกิดขึ้นเราจะเห็นอะไรเกิดขึ้น เเวทนาความรู้สึกนี่แหละเกิดขึ้นเห็นเวทนาความรู้สึกนี่แหละตั้งอยู่เห็นเวทนาคือความรู้สึกนี่แหละดับไปเห็นความคิดนี่แหละเกิดขึ้นเห็นความคิดนี่แหละตั้งอยู่เห็นความคิดนึกนี่แหละมันดับไปแต่เราพยายามที่จะรักษาสติของเราให้อยู่ลมหายใจสิ่งที่เราจะเห็นคือเราจะเห็นอสัญญาคือความหมายรู้เดี๋เรารับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเราก็หมายรู้เียกว่าอันนี้เป็นอันนั้น เห็นสัญญานี่แหละเกิดขึ้นเห็นสัญญานี่แหละตั้งอยู่เห็นสัญญานี่แหละดับไปเวลาเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นว่าเป็นกองกองก้อนก้อนอะไรอย่างเง้ยนะมันเห็นทีละครั้งแต่สิ่งนี้มากระทบเราไม่ใช่ว่าาจะต้องแยกแยกนี่เป็นมิตรกนะนี่เป็นเวทนานะนี่เป็นสัญญานะไม่ใช่แต่เวลาเราเห็นเราเห็นทีละครั้งท่านหนึ่งในสิ่งที่เรารับรู้อยู่ในเห็นความ ตั้งอยู่ไม่ได้ของมันเห็นความเกิดขึ้นเห็นความตั้งอยู่เห็นความดับไปนี่คือความที่เราเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้ของมันนะพอเราเห็นมันทั้งเกิดตั้งอยู่ดับไปเห็นตามที่เป็นจริงนั่นเองเห็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในจิตของเราอย่างเป็นธรรมชาติอย่างที่ไม่มีอกติอย่างที่เป็นกลางกลางอย่างที่เรียกว่ายุติธรรมนั่นเองัต่ความยุติธรรม ที่เกิดจากการที่เรามีสติแล้วเรามีสติเราจะมีความยุติธรรมได้ทาไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเรากําหนัดรุ่มหลงบูมเอาเปลือเปล่าแสดงว่าคุณเพลิดสติละถ้าคุณมีความขยันขันแข็งเกลียดชังไม่พอใจแสดงว่าคุณก็เพลิสติละหรือถ้าคุณไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนนั่นแสดงว่าเราก็เพลิดสติละ แต่เพราะเรามีสติแต่เวลาสิ่งใดมีมากระทบเนี่ยเราไม่วันไหวคือไม่ลุ่มหลงโมมเมาเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่ชอบไม่ขะยกะแยงเกลียดชังรำให้รำครวญในสิ่งที่ไม่ชอบหรือวา่าไม่เห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของตัวตนของเรานันแสดงว่าเรามีสติมีสติจิตตั้งมัน่น มีสติจิตเป็นกลางมีสติจิตไม่เป็นนักกติพอไม่เป็นนักกติแล้วมีความเป็นกลางกลางแล้วเราเห็นสิ่งนั้นโดยตัวความเป็นจริงของมันได้เห็นมันโดยความเป็นธาตุได้เห็นมันโดยความเป็นสิ่งที่มาสัมผัสแล้วก็ตับไปนี่เป็นเรื่องที่พระเจ้าแนะนำให้ทำแต่คือการพิจารณาโดยความเป็นธาตุกับการพิจารณาโดยความเป็นอเยตนะนาธาตุกับอเยตนะ คือสัมผัสเนี่ยนะสัมผัสไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราแยกแยะไปเห็นมันโดยความเป็นธาตุนี่ก็ส่วนหนึ่งนั่นก็ส่วนหนึ่งแยกแยะไปาการกระทําอย่างนี้จะไม่พระสัธรรมตั้งอยู่ได้นานชัตธรรมที่อยู่ในใจของเราไม่ใช่ว่าเสื่อมไม่ได้ไม่ใช่ว่าเศร้าหมองไม่ได้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่มันจะตั้งอยู่ได้ด้วยการที่เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆปฏิบัติอยู่เรื่อยๆ ให้มีความต่อเนื่องให้มีการที่ฝึกฝนมีความยินดีในการทำมีความยินดีในการปฏิบัติข้าพเจ้าจึงมาบอกในที่นี้แ่ามือวังว่าขอร้องให้ทำอย่าประมาทใช้เวลาที่เรามีแม้หน่อยหนึ่งแม้หน่อยหนึ่งที่เรามีมากบ้างน้อยบ้างก็ตามไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราขึ้นรถโดยสาร เนะรารถเมยเรารถแท็กซีนะ่หรือว่าแค่เราเดินไปที่นั่นที่นี่เนี่ยพวกนี้เราฝึกสติได้ตลอดเวลาตอนที่เราคุยกับคนอื่นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้เราถ้าเรามีวิตกมีสัญญามีเวทนาเนี่ยเราเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของมันดังนั้นสติก็เกิดขึ้นเหมือนกันมันทําได้ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นคนละเรื่องคนด้านของชีวิต ธรรมะนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องนอกตัวนะจำฝั ง, งไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นอีกด้านหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในทุกด้านของชีวิตของเราถ้าคุณจะเข้าห้องน้ําคุณจะอยู่บนเตียงนอนคุณจะลุกขึ้นไปทํางานคุณจะอยู่ในครัวทุกด้านของชีวิตเราต้องมีธรรมะทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะนับถือพระเจ้าหรือไม่ก็ตามไม่ว่าคุณจะไปมสัสยิดหรือคุณจะไปโบสถ์คริสต์หรือจะไปโบสถ์พุทธคุณก็ต้องมีธรรมะในใจ คุณจะต้องมีสติอยู่ในใจคุณจะต้องมีจิตที่แน่วแน่พอสมควรอยู่ในใจเพื่อให้ใจของเรานั้นดําเนินไปได้ให้ใจของเราเป็นใจที่อย่างน้อยมีฐานที่ตั้งมีที่เครื่องที่จะนําไปแต่คำสองพุรธชจ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อการแบ่งแยกท่านผู้ฟังไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะทําลัทธิหน่อยให้เสื่อมสิ้นไปไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะต้องประกาศตนเองให้ยิ่งใหญ่กว่าเขาไม่ได้เป็นไปเพื่อที่ต้องการให้คําใครให้เสื่อมสิ้น ไม่ได้เพื่อต้องการที่จะให้รู้ว่าฉันเป็นคนเก่งคนดีหรือไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะให้มีคนมานับถือมากๆมีสาวกมากๆนะไม่ได้เป็นไปเพื่อเรื่องเหล่านั้นเลยแต่คาสอนของพระพุทธชาติที่เราพยายามมาฟังกันอยู่เนี้ยเป็นไปเพื่อการดับทุกข์สนิทเป็นไปเพื่อการที่จะรู้รู้ยิ่งเป็นไปเพื่อที่จะรู้รู้พร้อมความรู้ก็คือความเห็นนั่นแหะ เห็นให้มันจริงความจริงเนี่ยเป็นสิ่งไม่ตายนะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราตามหาซึ่งความจริงว่าเฮ้อันนี้มันจริงไหมข้อมูลนี้ที่เราดูมานะเราหาได้นะความจริงได้ด้วยธรรมะที่อยู่ในใจของเราถ้าใจของเรามีธรรมะแล้วเราจะมองเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นจริงได้เราจะมองเห็นสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะมากระทบทางตาทางหูน่ะ แต่สิ่งนั้นจริงๆมันคืออะไรเราจะมองเห็นได้เราจะมองเห็นได้โดยความเป็นธาตุเพราะสิ่งนั้นจริงๆแล้วเป็นธาตุอย่างหนึ่งสิ่งนั้นจริงๆแล้วเป็นช่องทางเป็นอายฉาตนะอย่างหนึ่งที่เวลาที่เรามากระทบแล้วนั่นเป็นโอกาสของเราเป็นโอกาสในการที่เราจะรู้ในการที่เราจะเห็นเห็นธรรมะนั่นแหละท่านผู้ฟังเห็นแล้วทําแล้วนั้นชั่วมอบให้ผู้อื่นด้วย เห็นแล้วปฏิบัติแล้วทําเป็นตัวอย่างแล้วมอบให้คนอื่นคนอื่นรับได้นั่นแหละคือธรรมทานนั่นแหละคือสิ่งที่เมื่อเราทําแล้วมันมันดีมากต่อเที่ยงได้ห้องยิ่งสว่างสวยทําดีท่านผู้ฟังให้มั่นใจในความดีให้ตั้งมั่นต่อความดีให้ใช้ความดีนี่แหละเป็นที่พึ่งให้ใช้ความดีเป็นที่เกาะให้ใช้ความดีกุศลธรรมนี้เป็นที่ระลึกถึงแล้วเราจะไม่หลง ประสักควากหนามมันมีเป็นธรรมดาแต่ถ้าควากักหนามมันอยู่ข้างหน้าเนี่เราจะเดินเลยไปเนี่ยเราต้องมีแสงสว่างนะเราจะได้เห็นว่าตรงนี้หลีกได้เลีล่ยงได้แกะได้แต่ก็คอยระวังก็ธรรมดาเราจึงต้องมีแสงสว่างในจิตของเราแสงสว่างนี่คือการที่เรามีสติ น, นั่นเองวันนี้ข้าพเจ้าพระพัยบุญอภิปุโนโจากวัดปาดา่าเดานหาโศกอําเภอนองานจังหวัดอุดรธา น, น, นีขอลาไปก่อน เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เดบตาน